กล่าวเท็จโดยไม่มีใครเสียประโยชน์เป็นบาปหรือไม่ถามถ้าการกล่าวเท็จนั้นไม่ได้ทำลายประโยชน์ของเราไม่ได้ทำลายประโยชน์ผู้อื่นอย่างนี้แล้วถือว่าไม่ผิดศีลได้ไหมตอบความจริงมีอยู่เราเจตนาพูดเพื่อบิดเบือนความจริง ความจริงที่ถูกบิดก็จะเป็นพลังบิดชีวิตเราในทางใดทางหนึ่งสมดังเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้โกหกย่อมมีโทษสถานเบาเป็นการถูกใส่ไคล่นั่นหมายความว่าถ้ากล่าวเท็จเล็กน้อยก็อาจถูกใส่ไคล่เล็กน้อยแต่ประเด็นสำคัญคือเมื่อริโกหกนิสัยอ้างน้นอ้างนี่เพื่อโกหกจะติดตัวเราไป วันนี้โกหกเพื่อปกป้องคนอื่นอาทิตย์หน้าโกหกเอาตัวรอดเล็กน้อยเดือนหน้าโกหกเพื่อให้โลกเกิดสันติสุขปีหน้าโกหกเพื่อความยั่งยืนของอุดมการณ์และอื่นๆอะไรใหญ่ๆจะเริ่มจากอะไรเล็กๆกว่าคุณจะรู้สึกตัวก็กลายเป็นคนขี้โกหกเพื่อข้ออ้างอันหน้าฟังไปซะแล้ว สรุปคือขึ้นต้นด้วยเจตนาบิดเบือนก็เป็นมุสาแล้วไม่มีข้อยกเว้นครับลองไม่ต้องคำนึงว่าจะเสวยผลเป็นทุกข์ในรูปแบบใดเอาแค่คำนึงว่ามันจะทำให้เราติดนิสัยโกหกเพื่อข้ออ้างหรือไม่ก็จะทราบว่าโลกนี้มีความจริงเป็นอย่างไรก็อย่าให้การเกิดมาของเราไปทำลายความจริงนั้นๆเถิด ผลที่จะเกิดขึ้นแน่ๆคือจิตของเราเองที่ใส่เรียบเห็นความจริงทั้งหลายได้อย่างเที่ยงตรงซึ่งสอดคล้องกันดีกับหลักปฏิบัติสูงสุดของพุทธศาสนาคือเห็นตามจริงเท่าที่ปรากฏอยู่แล้วในที่สุดบรมสุขจะเป็นของผู้ตัดสินใจยืนอยู่ข้างความจริงความจริงย่อมเข้าข้างผู้รับความจริงและคนรักความจริง ย่อมประจักษ์ว่าอำนาจความจริงมีพลังอยู่เหนืออะไรทั้งหมดแม้จะต้องลำบากบ้างจากการพูดคำอันเป็นจริงในระยะแรกๆแต่หลังจากยืนอยู่ข้างความจริงนานไปคุณจะพบว่าตัวเองยืนอยู่ในโลกที่แตกต่างเหตุผลบีบคั้นให้ต้องโกหกจะน้อยลงเรื่อยๆกระทั่งเหมือนชีวิตอยู่บนเส้นทางที่ไม่ต้องโกหกเลย